เทศในคืนวันที่24สิงาคมพศ2518ณวัดตาบ้านตากจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะัมปันโนเทศอบรมคณะผ้าป่าคุณชวนส2ครั้งวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาผมมาถลายทาง เพื่องานตามวัด ต, าตา่างๆเรียกแบบเป็กนกุศลคือทำงานความดีตําหรับคน่งเป็นเรื่องอย่างมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยเว้นในการให้ทานทานเป็นหน้าฐานทั้งคันสาหรับหมู่คนที่อยู่ด้วยกันแม้แต่สัตว์ที่เกี่ยวข้องกันก็ย่อมต้องมีทานสิจการาให้การเสียสละโลกภัยทาการ เสียตลาดคือการให้ทานคือความเห็นแก่กันและกันเสียเท่านั้นก็เป็นโลกที่ชุ่มเย็นหรือ ม, มีความแน่นหนามั่นคงก็งบร่มเย็นไปไม่ได้ดังนั้นทานริงเป็นสิ่งสาคัญมากต่อบุคคลและสัตว์ ท, ทั่วไปที่อยู่ด้วยกันพระโพธเจ้าก็ลําลือในเรื่องการให้ทานรกตัวอย่าง โดยเฉพาะก็คือเข้าเณรสันดอนทานเสจนไม่มีอะไรจะทานและชาวบ้านของไม่พอใจขับหนีจากบ้านจากเมืองพระองค์ก็ยอมแต่การให้ทานนั้นไม่ยอมเข้าไปอยู่ในป่าเขาวงปดแล้วไม่มีอะไรให้ทานก็ยกอัญมณีให้ทานททแจกพิชิตนี่จะมีใครจะขอทานต่อพรอีกพระองค์ก็ ไม่ทรงย่อท้อในการให้ทานมีเป็นเรื่องอย่างของนักปราดจอมปราดก็คือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนเรื่องทานก็เหมือนหนามัเป็นความจำจเป็นเป็นพื้นฐานของโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากถ้าขาดทานเสียแม้แต่พ่อก็อแม้แต่เลือดการาทานเสียฉละทล ะ, ละความเห็นแต่โตออกเพื่อผู้อื่น มีเยาวการให้ทานทานทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโดยลําดับลาดาตามเยี่ยมอย่างประพฤตมีของพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านพาดมือมาเหยาะกิจผลมาทา น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบุญเป็นกุศลในด้านหนึ่งเจตนาที่พร้อมที่จะเสียสละก็นับเริ่มแรก ม, มาตั้งแต่วันดำริคิดที่จะให้ทานมีท่านทั้งหลายก็ได้ทานมาเป็นลําดับหลายวัดหลายว่า แล้วยังจะให้ทานต่อไปอีกจนกระทั่งถึงบ้านถึงเดือนแล้วยังไม่หยุดให้ทานเป็นกิจวัตรประจําอยู่ในบ้านในเรือนของตนทานเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติแก่ตนด้วยเป็นกุลามความดีเป็นความสุขแก่ตนด้วยแก่ผู้ที่ได้รับด้วยสึ่งของที่เราเสียสนะไปนั้นเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้รับไปจํานวนมากน้อยเช่นไรก็เป็นประโยชน์แก่ผู้รับไปมากน้อยเช่นนั้น ส่วนณผลคุณบุญที่เกิดขึ้นจากการเสียตลาดนั้นเป็นความสุขเป็นบุญคุณส่แก่เราเป็นความสุขแก่เรามากน้อยจากนั้นเช่นเดียวกันจึงได้เสียทั้งสองด้านสองทางคือผู้ดได้รับจากการให้ทานของเราก็เป็นประโยชน์เป็นความสุขความสบายจากวัตถุสิ่งของที่เราได้เสียตลาดให้ทานไปเราเองผู้เสียตลาดซึ่งเป็นตัวการสําคัญก็ได้คุณงามความดีจากการเสียตลาดที่เรียกว่าบุญคุณล จึงไม่เสียทั้งสองทางเรื่องพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้มีความว้างขวางพระพุทธเจ้าทรงวา宽ขวาง ม, มากในโลกธาตุทั้งสามนีพระพุทธเจ้าทรงสงเคราะห์ทั้งนั้นไม่ว่าจะสงเคราะห์ในด้านใดที่ควรตึงไปได้พระองค์ไม่รทรงย่อทาะสงเคราะห์โดยการให้ทานวัตถุจริงของหรือสงเคราะห์โดยอด้วยธรรมสงเคราะห์โดยพระเมตตาสงาสงารต่างๆ เดินเทวเมตตาไปเพ่อโลกธาตุประกาศธรรมสอนโลกมาเป็นเวลาเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์พระาสด า, าของเหล่านี้ได้สงเคราะโลกมาทั้งด้านวัตถุและนามมาทำเป็นเวลาสีห้าพระพรรษาจึงได้เสด็จปรปนิพพานต่อจากนั้นก็มีพุทธบริษทัททำหน้าที่แทนพระองค์ย้วยมาดังที่เราทั้งหลายได้ทำพระบัตรนี้ คือว่าดำเนินตามเรื่องอย่างของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาไม่ขาดวักขาดตอนผล ง, งานความดีทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะทําให้โลกได้เป็นความสุขความสบายและเป็นที่ชื้นตาชื่นใจแก่ขึ้นหูได้แก่แก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้คิดได้อ่านตามเรื่องความดีทั้งเราที่ เ, ทเสียตลาดนี้มีแล้วยังเป็นความดีสนับเราทั้งปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย เพราะเรามีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยงามความดีตลอดไปจนกระทั่งพ้นจากโลกหรือว่าจะสงสารความมุนเยียนในการเกิดการตายนี้เสียเมื่อไร่เราจึงจะได้หมดปัญหาในเรื่องการอาศัยหรือการเสวยให้เราทุกท่านได้ทาความสนใจต่อศาสนาศาสน า, า, า, า, าอยู่กับเราทุกคน ไม่ใช่ศาสนาอยู่ในคัมภีร์ในตู้ในหีบอันนั้นเป็นตำราของศาสนาท่านชี้แจงสั่งสอนเข้ามาสู่พวกเราผู้จะนับถือและปฏิบัติตามศ า, าสนาและจะนำผลเข้ามาสู่ตัวด้วยการจากการปฏิบัติของศาสนานั้นก็คือเราผู้ทำนี่แค่เองเป็นผู้จะได้รับผลเพราะฉะนั้นศาสนาจึงอยู่กับตัวของเราศาสนาเป็นคุณสมบัติทางด้านจิตใจเ ป, เป็นสิ่งสำคัญมาก เมือ่อ ท, ทางด้านจิตใจมีศาสนาประจำตนการแสดงออกทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆก็ย่อมมีความสวยงามหรือมีความร่มรื่นไปตามๆกันกับทางด้านจิตใจถึงระบบสุดท้ายภายหลังขอจะได้ห่างเหินจากาศาสนธรรมซึ่งเป็นของตายตัวคือเป็นคมที่ถูกต้องดีงามที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ การเหินจากพุทธศาสนาหรือจากศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นของดีในขณะที่ห่างเหินการกระทำความไม่ดีงามทั้งหลายก็จะมีความใกล้คลิดสนิทเข้ามากับกายวาจาใจของตนเส ม, มอไปความเดือดร้อนจะต้องเกิดขึ้นโดยลําดับเพราะการทํำผู้ต่างๆซึ่งไม่เห็นศาสนาเป็นของสาคัญคนที่ไม่เห็นศาสนาเป็นของสําคัญก็ ค, คือคนไม่มีความสําคัญภายในตนนั่นแหละไม่ใช่ที่อื่นใดเลยคนที่มีความเหความสําคัญของตนก็ ก็ต้องเห็นศาสานาซึ่งเป็นเครื่องคำสอน แ, แ, นะแนะนําแนวทางที่ถูกต้องมีงามทั้งทางถูกและทางผิดทั้งทั้งทางถูกมีผิดและทางถูกและพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายนั้นให้ห่างไกลจากกายวาจาใจของตนและพยายามส่งเสริมพลั ง, งความดีอันเป็นไปในทางความประพฤติคืกายวาจาใจอันมีงามของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นผู้เท่านั้นที่ว่าเป็นผู้มีสาระสําคัญ จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตามคนที่มีคุณธรรมเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจแล้วย่อมเป็นผู้มีมารยาทอันสวยงามเป็นผู้สุ้มเย็นอยภายในจิตใจกานจะคลองย้าวยาวเอือนก็ดีถ้ามีคุณธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจเลยแม้จะมีสมบัติพัฒนานจํานวนเป็นล้านล้านก็ตามก็หาความสุขไม่ได้เพราะอาจจะนําสมบัติเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดและเป็นพืชภัยแก่ตนเองไม่มีชิ้นสุดตลอดถึงอยู่เจ้าล้านเหลีย โดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเรามีศาสนธรรมคือคําสั่งสอนประจําจิตใจเรียกว่ามีธรรมภายในจย่อมจะทราบและย่อมจะรู้จักวิธีปฏิบัติตนเองต่อสมบัตินั้นๆที่ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงไรสมบัติมีมากน้อยก็เป็นประโยชน์แก่ตนสมมาตนมีสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องสนองความต้องการโดยไม่เสียหายในทางตัวที่เป็นเจ้าของ แล้วคุณบุสุดท้ายภายหลังชเช่นบุกดาวล้านเลนของเราเมื่อเห็นพรหมเนี่ยทานำเนินในทางที่ถูกที่ดีก็เป็นแบบเป็นฉบับเดียวึดไปเป็นข้อปฏิบัติต่อไปความจเจริญรุ่งเรืองของโลกก็คือความจเจริญรุ่งเรืองของบุคคลนั่นแหละหากคนทําถูกต้องดีงามความจเจริญของบุคคลความจเจริญของโลกก็มีความเกี่ยวเนื่องกันย่อมจะมีความจเจริญและสงบสุขไปได้แต่ถ้าปราทจากความปราศจากศาสนธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามนี้แล้ว ใครจะว่ามีความรู้ความเฉลียวฉนาดมากน้อยเพียงไรก็ตามซึ่งเป็นไปด้วยอำ น, นาจของจิเดือดจังหาจุดลากประนั้นย่อมจะหาความเจริญไม่ได้ทางด้านจิตใจแม้วัตถุสิ่งของจะมีความเจริญมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ทางด้านจิตใจจะเหี่ยวแห้งยุบย่อลงเป็นลำหับลำดับหาความสุขไม่เจอเลยทั้งั้งที่ว่าโลกจเจริญมันจเจริญแต่ด้านวัตถุแต่หาความเจริญทางจิตใจคือความรุกเยือนเป็นสุขทางจิใจไม่ได้โลกมันก็ร้อนที่ใจ แเราจะยึดไปอยู่หูหอประสาทราชมนเทียงเป็นกี่้อยกี่พันชั้นก็ตามผู้ที่มีความรุ่มร้อนด้วยกันเท น, นั้นไปอยู่ที่ไหนก็ร้อนไปหมดเช่นเดียวกับคนไข้ที่เป็นไข้หนักหรือไข้เบาไข้ขนาดไหนก็ตามชื่อว่าขึ้นชื่อว่าคนเป็นไข้ยอดเป็นคนที่ทรมานตนมีความทุกข์ความทรมานจะให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลชั้นไหนกี่ร้ยชั้นพันชั้นก็ตามเราจะไปร้องไปครางไปทรมานตนอยู่ในโรงพยาบาลชั้นนั้นๆโดยหาความสุขไม่ได้นั่นเอง มีเรืองใจที่หาความเจริญไม่ได้นี้ก็เหมือนกันแม้จะนอนอยู่บนกองเงิ<ๆ>นกองทองก็ไปร้องไปค้างอยู่ที่กองเงินกองทองเพราะกองเงินกองทองสมบัติเหล่านั้นก็สักต่ว่าสมบัติจะหาความสุขความเจริญให้แก่คนไม่ได้ถ้าคนไม่สอดแสวงให้ความสุ ข, ค ว, สขความเป็นเให้เกิดขึ้นมีแต่แต่ตนด้วยความเฉลียวฉลาดของตนเพราะฉะนั้นคุณธรรมจึงเป็นช่องทางที่จะยังบุกคนให้มีความสุขทั้งผู้เป็นคนทุกคนมีคนโง่คนฉลาดก็าตาม ถ้ามีคุณธรรมพานาจิตใจแล้วพอจะหาความสุขได้เราอย่าไปหวังว่าความสุขจะมีอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนอย่าเข้าใจว่าความสุขความเจริญเดี๋ยวจะไปอยู่กับทิพระจันจั์มันอยู่กับบุคคลความทุกขก็เผาร้นที่กายใจของคนความสุขก็มีความเจริญรุ่งเรืองนี่มีความสงบร่มเย็นที่กายที่ใจของคนนี่ตัดนี้เท่านั้นนี่เป็นสถานที่อยู่แห่งความทุกขแล้วความสุขม่อยู่ในสถานที่ใดนอกจากกายกับจิตของตัดโลกนี้ การเที่จะพื้นตัวให้มีความสุขความสบายตามความมุ่งหมายนั้นต้องฝึกหัดตัดแต่งตามหลักธรรมซึ่งเป็นเสียงคิดทางเดินอันถูกต้องมีงามท่านพระพุทธเจ้าท่านอย่วัดสวัสดาาิธรรมพระองค์กลัสได้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมจากการประพฤติปฏิบัติจากคนทุกท่านทุกวัยผู้มีศีลมีธรรมนายใจจึงเป็นผู้สวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเด็กเด็กก้อนน่ารักน่าเมตตาสงสารผู้ใหญ่ก็น่าเคารพ บ, บูชา เพราะมีธรรมธรรมเป็นของไม่จืดจางการร ะ, ระดับธรรมในทางกายวาจาใจจึงเป็นความสวยงามดีโดยไม่มีความจืดจางไม่เหมือนรูปด่างกลางตัวที่เราประดับตกแต่งด้วยเครื่องอภรท์ทั้งหลายถ้าว่าความประพฤติไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะเป็นของที่จืดจางได้ไ ง, ง่ายงายฉะนั้นเราจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องระดับตัวของเรา การจับจ่ายใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีทำเป็นเครื่องประกันเสมออย่าจ่ายให้สุรุ่ดดยสร่ายเห็นมีอะไรเกิดขึ้นมามีเงินมีวามขึ้นมากระลุเนื้อละลนตัวจับจ่ายใช้สอยไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่มีขอบเขตการที่เงินเสียไปนั้นยังไม่สำคัญนะักยิ่งกว่าใจที่เสียไปทายพูดเวลานั้น เราอยู่ในโลกแห่งกรรมด้วยกันคําว่ากรรมคือการกระทำไม่ไว่ามนุษย์และสัตว์จะอยู่เฉยเฉยไม่ได้เพราะไม่ใช่สุกตาต้องมีความเคลื่อนไห ว, ไ, วไปมาทางกายทางวาจาหรือความประพฤติต่างๆหลักพุทธศาสนาท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทําการกระทำย่อมมีทั้งดีทั้งชั่วตับพลกันอยู่เสมอในบุคคลคนเดียวแม้แต่สัตว์ก็มีการกระรทําเช่นเดียวกัน เพราะฉนั้นผลที่จะึงเกิดขึ้นจากการกระทําจึงต้องมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาที่หลีกเว้นไม่ได้ใครจะปฏิเสธว่าบาปมีบุญบาปไม่มีบุญไม่มีก็ตามแต่เรื่องการกระทําของตนยังเป็นไปอยู่ในทางดีและชั่วกราบใดความสุขความทุกข์จะต้องเป็นไปตาบนั้นทั้งๆ ท, ที่ตนําพันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นแหละหลักของเป็นที่ผิดของบาปและบุญก็คือความประคฤติของเรา พระพุทธศาสนาท่านจึงสอนลงที่กายวาจาใจของมนุษย์ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกรรมทั้งหลายทั้งดีและชั่วท่านสอนลงสิน่นี้จึงไม่ผิดจากหลักความจริงเมื่อโลกดยุดจากการทําการกระทําเสียเมื่อใดกรรมก็หมดไปเมื่อนั้นและผลของกรรมก็หาความสุขต่อไม่ได้แต่เราทั้งหลายจะปฏิเสธการกระทําไม่ได้แม้แต่ขณะที่เกิดขึ้นมา การทำกรรมโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตนมัติของตนย่อมมีเสมอการคิดการปรุงการแต่งในทางดีและชั่วตลอดถึงการพูดการจาการกระทําต่างๆย่อมมีความาพลาดพิงถึงดีและชั่วเสมอไปเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะปิดไว้ไม่อยู่จะต้องแสดงออกในทางสุขทางทุกข์ให้โลกได้ปรากฏชี้อย่างชัดเจนดังที่เราเห็นดีด้วยทุกลูกทุกนามนี้แหลเมื่อเป็นเช่นนั้น ทำมาบาปลบุญมีหรือไม่มีล้วก็ทราบในความสุขความทุกข์ที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราซึ่งเนื่องมาจากกรรมคือการกระทำเีตุหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนว่าอย่างนี้มีเป็นหลักถูกคล้องตายตัวเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมในทางคุณงามความดีให้เป็นกรรมดีเพื่อจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในการต่อไป เราเกิดมาด้วยกันนี้ไม่มีใครสามารถอาจรู้ได้ว่าเราจะต้องไปเกิดในสถานที่นั้นเป็นคนเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นหญิงเช่นนั้นเป็นชายเช่นนั้นจะเกิดในตระกูลเช่นนั้นต้องการมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเช่นนั้นมีสมบัติเงินทองเข้าของประมาณเท่านั้นเท่านั้นเป็นความต้องการอย่างนี้และจะให้เกิดตามความต้องการนี้เป็นไปไม่ได้ ต่างคนก็ต่างเกิดมาด้วยแบบสุ่มเดาด้วยกันเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วจึงทราบว่าตนเป็นมนุษย์ทราบว่าตนบิน เ, น, นเป็นตนเป็นหญิงเป็นชายแล้วอะไรเป็นผู้พาให้มาเกิดเราทราบได้หรือไม่นี่เราไม่ทราบได้เลยทั้งๆที่กรรมที่จะทําให้ยิบบาแห่งกรรมที่จะทำให้มาเกิดก็คือเราเป็นผู้ทําเองยิบบาแห่งกรรมนั้นแลเป็นผลหรือมีอํานาจอันสําคัญมากที่จะส่งผลทั้งหลายให้ปเกิดในฐานที่ต่างๆกันดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากรร ม, มังสเตยิพัชาติ กรรมย่อมจำแนกแกะสักทั้งหลายให้เป็นต่างๆกันอย่างนี้ไม่ใช่อื่นใดที่จะจำแนกแกะสลักนอกจากกรรมแล้วมีอันใดที่จะมีอำนาจวสาสนามาจำแนกแกะสลักในโลกนี้ได้ให้เป็นไปต่างๆกันนอกจากกรรมที่ตนทำดีชั่วนี้เท่านั้นเพราะนั้นผู้เชื่อตามหลักธรรมจึงเชื่อในการกระทําของตนและพินิจพิจารณาวินิจฉัยในการกระทําของตนตามหลักธรรมท่านว่าว่าท่านว่าไว้ว่านิสัมมะกรณังไสยโยให้แพ่ควรซะก่อนก่อนที่จะทําสิ่งใดถูกหรือผิดเมื่อแพ่ควร ก่อนแน่ค่อยทํานั้นไม่ค่อยผิดพลาดเมื่อการกระทําไม่ค่อยผิดพลาดผลจะเป็นความทุกร้อนขึ้นมานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะการรมเป็นผู้บงการอยู่แล้วในทางที่ถูกผลจะคงถูกเสมอไปความถูกก็ต้องติดตามมาด้วยความการกระทําที่ถูกต้องนั่นแหละเราทั้งหลายเป็นผู้เกิดในวงแห่งกรรมเราอยาดลบล้างกรรมด้วยกับความไม่เชื่อว่าการทําชั่วไม่ได้ชั่วการทําดีไม่ได้ดี เมื่อเราเกิดในวงแห่งกรรมคือการกระทําอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งนี้ทั้งขั่วแล้วผลที่จะติดตามมาคือความสุขความทุกข์นั้นย่อมเป็นไปอยู่โดยสม่ําเสมอเช่นเดียวกันไม่มีอะไดที่จะลดล้างกันได้นอกจากลบล้างกรรมกรรมคือการกระทํานั้นเสียผลจะไม่พึงปรากฏขึ้นมาได้เลยถ้าหากว่าการกระทํายังมีอยู่กราบใดผลจะเป็นอยู่วันดังคำแม้เราจะปฏิเสธกับเพียงไรก็สักแต่ว่าคำพูดหรือความสําคัญของตอนเท่านั้นแต่ความจริงจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยหลักศาสนา ท่านสอนลงที่จุดนี้และการทำความดีดางที่เราทําทั้งหลายเราทั้งหลายทําอยู่เวลานี้ก็ดีหรือทําผ่านมาแล้วก็ดีการจําได้หรือไม่ได้นั้นไม่สำคัญในการกระทําความกระทํานั่นแหลคือการกระทําแล้วเป็นสิ่งที่จดจารึกไว้แล้วในภายในจิจตใจจะไปสถ า, านที่ใดเกิดสถ า, านที่ใดก็ตามก็อํานาจแห่งยึบากที่ตนทําแล้วทั้งที่จําได้และจําไม่ได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเป็นเครื่องกดพ่ว ถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วก็นั่นแลเป็นเครื่องกดท่วงให้ล่มจมลงไปโดยลําดับถ้าเป็นทางที่ดีก็นั่นและจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุขความจเจริญไม่ว่าจะเกิดในสถานที่ใดคติใดเป็นบุคคลหรือัตวประเภทใดคุณงามความดีที่ฝังอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นนิสัยนั้นจะติดตามอยู่ตลอดเวลาผ่านการสอนให้อบรมคุณงามความดีให้มีความสามารถแข็กล้าขึ้นโดยลําดับเมื่อคุณงามความดีมีอานาจมากขึ้นโดยลําดับแล้วผู้นั้นก็จะได้สูง ยกระดับสูงก็ไปโดนดับเพราะอํานาจแห่งผลแห่งกรรมของตนที่ตนทานั่นแลเป็นเครื่องยกตนขึ้นมาเองไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะมีอํานาจวัสนายกบุคคลนั้นให้เป็นอย่างนั้นยกบุค น, นี้ให้เป็น น, นั่นนอกจากกรรมของตนที่ทําแล้วเท่านั้นจะเป็นผู้มีอํานาจวัสนาเหนือตนพระพุทธเจ้าก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าประทรงบําเพ็ญมาเอมสติพัศน์กิจกำลังความสามารถตลอดมาเวลาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ เป็นพ่ออำนาจแห่งความดีนี้เท่านั้นไม่มีผู้ใดที่จะมาเสียดสันพระพุทธเจ้าให้เป็นาศาสดาขึ้นมาในโลกนอกจากการกระทําอันดีงามของพระองค์โดยลําดับที่สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งมีกําลังความสามารถเต็มที่แล้วก็ตรสัสรูเป็นาศาสดาเอกของโลกสั่งสอนประชาชนตลอดมาบรรดาสาวกทั้งหลายที่เรากล่าวว่าพุทธังทะมังสั้งทางํานางกระสามนาีม้ก็ดําเนินตามรอยพระบาทที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วปรากฏเป็นคนมิเสียวิโสขึ้นมาจากกรรมดีของตนที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอ เมื่อกรมดีมีกำลังมากก็าสามารถสลัดปัดที่เลอะออกจากจิตใจกลายเป็นพระรหันต์บุคคลขึ้นมาซึ่งเป็นคนมิเศษดังที่เราได้กราบท่านได้รู้ถึงท่านแบบสางทังสร้างทางนาง น, านังกระชามิน่นพุทธทางฉนนังกระชามีก็หมายถึงองค์ศาสดาผู้แต่สะูุ้แล้วโดยชอบด้วยการประพฤติปฏิบัติอันดีงามทั้งหลายตลอดมา ธรรมังสนังกระามนีก็หมายถึงองค์แห่งธรรมที่บัณฑิตพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงได้จัดสรูปค้นพบได้นํามาประกาศสอนโลกเรียกว่าธรมโมปฏิโอมีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาสั้งครังสนังกรามนีก็หมายถึงพระสงฆ์สาวกที่ดําเนินตามนอยพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยความดีทั้งหลายจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจเป็นชนะของพวกเราทั้งหลาย นี่คือท่านผู้เชื่อกรรมคือท่านผู้สร้างกรรมดีผลก็ปรากฏให้เป็นอย่างลั่นขึ้นมาเราทั้งหลายเป็นผู้สร้างกรรมดีตามรอยพระบาทตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากคุณงามกรามดีที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนเราทั้งหลายให้มีความเจดินลุ่งเดินไปโดยลําดับทั้งพบนี้และพบหน้าเท่า น, นั้นไม่มีอย่างอื่นทรรตากุศลธรรมาหมายความว่ายอย่างไงอากุศลธรรมาหมายถึงว่ายอย่างไร เห็นคนตายท่านสวดรักุสลาธรรมะกุสลาธรรมะปยากาตาธรรมะกุศลคือความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์จะสั่งสมขึ้นมาภายในจิตใจของตนเนี่และกุศลนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนมนุษย์หรือสัตว์นั้นๆให้ถึงความท้นทุกข์กับโดยระับได้อากุสลธรรมะคือความโง่เขลาบวปัญญาฝ่าฝืนหลักความจริงทั้งหลายทําไปตามอําเภอใจคือความชอบใจของตนนั่นแหลคือความโง่เขลาบวปัญญาและจะกดทรวงของตน แต่กดทั่วจนลงไปโดยลำดับในสถานที่ไม่พึงปรารถนาหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและอกุศลกรรมอันนี้แหละที่ทําด้วยความไม่ฉลาดทําด้วยความงูกเขาว่าพญานิยจะเป็นเครื่องทรมานตนเองไม้ช่ติฉิอื่นใดในโลกจะมีอำนาจมากยิ่งกว่ากรรมไม่ดีที่ทําด้วยความไม่ฉลาดนี้จะเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนเองอพยากาตาทำมาหมาจึงกลับทำมากลากลางไม่เป็นบาปเป็นบุญนิสสารโลกก็ทํากันอยู่ เนี่ยเราได้ยินตั้งแต่ท่านตรวจเวลาคนคนตายเวลายังเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างเราจะสร้างกุศลกอกุศลโดยมากเป็นคนเป็นทางนั้นทํากันไม่ใช่คนตายมาทําเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบว่ากุศลกุศล ค, คือความดีนี้เป็นเรื่องของคนเป็นทำํำเราก็บําเพ็ญคนคุณงานความดีเสียในเวลามีชีวิตอยู่นี้เวลาตายไปแล้วจะไม่เสียท่าเสียทีว่าตนได้เกิดขึ้นมาเสียท่าต่อเปล่าไม่ได้บําเพ็ญคุณงานความดีจะประสงค์สิ่งใดก็แม้รับ ต้องการสิ่งใดก็ไม่ได้เพราะตนไม่ได้ทําไว้กรณียินแต่ข่าวเขาอืข่า ว, ว่าท่านคนนั้นทําคนงามคนดีคนนั้นไปสวรรค์คนนี้ไปนิพพานคนนั้นได้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ได้มีสมบัติพระสานเงินทองมากมายกายกองกรณียินแต่ข่าวเขาเมื่อเราไม่ทําไว้ข่าวของเราก็ไม่ปรากฏเมือเราก็เป็นผู้ทําเองข่าวของเราก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตตินิพพานก็เป็นข่าวของเราทั้งนั้นเพราะเราเป็นผู้ทํา จนพยายามทําข่าวของตนไว้ให้ดียิ่ยงกว่าข่าวคนอื่นเราอย่าไปสนใจข่าวคนอื่นเรื่องกับข่าวของเราที่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ภายในจิตใจกายวิช า, าของตนนี้ผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพุทธศาสนาจึงควรสนใจในข่าวของตนที่จะเคลื่อนไหวไ ป, ไปในทางใดบ้างหนักในทางใดบ้างพยายามแก้ไขดัดแลงในสิ่งที่ไม่ดีและดําเนินในทางที่ดีเสม อ, อจิตใจของเราจะ ม, มีความชุ่มเย็นร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในโลกนี้ก็ร่มเย็น ไปโลกหน้าการมเย็นเพราะการไปนี้เราพร้อมเสมอที่จะไปเพราะเราพร้อมในการมาแล้วมาเกิดก็พร้อมแล้วถึงได้เกิดเกิดแล้วพร้อมแล้วที่จะได้อยู่ดังที่มีชีวิตครองตัวอยู่นี้เมื่อหมดความสามารถในอัตภาพนี้แล้วเราพร้อมแล้วที่จะไปเราจะไปโลกใดก็าตามอันนั้นถึงเราไม่ถามก็ตามตรื่องยิบากกรรมจะเป็นผู้นําไปเอง เราให้ดีเพื่อขนขวายในคุณงามความดีเพื่อให้เป็นี่หวากอันดีเป็นเครื่องติดตามเราเราจะได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกนี้และโลกหนักการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควมจรจะเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้ขอท่นานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างจงแนะนาปัทพนิพพิจานาและอํานาจสังกูตทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญในวันนี้จงสมบูรณ์ในสันงหลายทุกประการขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวัง ปูราปะเรปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตตินนางเปตานางอุปะกะปติอิชิตังปฏิตังสุมหังกิปะเมวสมิชาตูสะเพปูเรนตูสังกาปาจานโธปณะระโสยธ า, ามิโชติระโสยธ า, าสัพพิตโยวิวชานตูสะภโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายสสขีทีพายยโกภะอภิวาทนาศีริตามิจังวุธาปจายิโนจตตาโรธ ร, รมาวะทานติอายุวันโนสุขังภาราังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรมานุภาเวนะสัพพสั้งคานุภาเวนะ พุทธัตัณังธรรมะตัณังสังขารตัณังสินตัณห์นาังอานุภาเวนะสตุราสีติสหัตธรรมขันธานุภาเวนะพิตตกะติยานุภาเวนะสินะสาวะคานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยายสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏวาสัพเพเต ท, ทุนนิมิตาสัพเพเตอวัมมังคาราวินาสันตุ อายุวัตถกาธนวัตถกาสิทิวัตถกายะสวัตถกาภลวัตถกาวันณวัตถกาสุขวัตถกาโหนตุสปะทาทุคโรโอคพยาเวราโซกาสตุตุปัตวาอเนกาอันตระยาปิขีนัสสันตุจะเตชะสาชยาสิทธิะนังลาพังโสทิภาคกายังสุขังพลังชีริอายุจวันโนจ๊ะ โคคังวุธิจยศวะสตวสาจะอายุจะชีวาสิทธิพวันตุเตทวตุสัพพมังขาลังราขันสุสาภเทวตาสัพปปพุทานุพาเวนะสัพพธรรมานุพาเวนะสัพพสรังขานุพาเวนะ ส, น ส, สัพาโสทีพวันตุเต ที่เราการที่ให้คนอื่นนะครับที่ความที่ท่านให้กพรนะะะจะต้องกวดน้ําด้วยน้ำหรือเป่าเพื่อจะได้ถ้าทาหลักกรรมนี้แล้วเราจะไม่เราไม่ขวดน้ํามันก็ได้เช่นคนทำขั่วนี่ไม่ต้องขวดน้ำเพราะคนชั่วมันก็ได้ชั้วให้คนอื่น การทําดีก็เราไม่สวดน้ํามันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่าจะผิดนะมันต้องได้มันต้องรับคนดีต้องรับความดีเสมอการกดนหน้า็นคนอื่นท่านก็พูดไว้ในหลักธรรมถ้าไม่สวดก็ไม่ผิดอุทิศทางน้ําใจคือเราทิศอุทิศหมายถึงว่าเจาะตรงแก่คนนั้นคนนั้นหรือผัดพวกไหนจำพวกไหนก็ตามก็เป็นเจาะตรงอุทิศอุทิศสามแปลว่าเจาะตรงเราจะสวดทางน้ําใจก็ได้ ทำมีหลายพันธ์องจารย์มันมีตะกูดขุกครั้งนะครับไม่ได้ตรวจน้านั่นนี่แต่ว่าการทําพยนตร์จะโลกทําไม่หยุดแต่ไม่ตรวจน้ําถ้าผิดก็ผิดมากที่สุดอาจารย์เขามีทําไม่หยุดทําบางคืนจนนอนก็ไม่หลับแต่ไม่ได้ตรวจน้ำสักทีไม่คราบเลยถ้าผิดก็ผิดมากแง่ใจว่าไม่ผิดการดับการตรวจน้าเพราะการไม่ตรวจก็ไม่ผิด เพรามันเป็นทำคนละขั้นะขั้นคั้นขั้นลงไปถ้าเราเป็นที่แย่ใจแล้วเรจะไม่ตรวจกระ้าเพราะทำทำมาอะไาเนียอนุพิาผู้ที่จะแสดงธรรมขึ้นไปโดยลำดับลำับอนุพิธานหมายขึนการแสดงธรรมขึ้นไปโดยลำดับท่านก็ทำขั้นต่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอนไปเยถึงทำขั้นสูงสุดนะครับการตรวจหน้านี่ก็เป็นทำเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเร่อย มีการถามว่าพูดประโยชน์จากผู้ฟังทั้งหลายให้เข้าใจกันอาจา ร, รย์ตรนี้ตอบทันทีใ <c> ห <oughs> ้เข้าใจกันส่วนน้ําธรรมดาก็มีปวดทางน้ําใจก็มีน้ำธรรมดาเขต้องมีน้ําใจเป็นส่วนประกอบถ้าไปจุเพียงแค่น้ำแค่แคน้ําใจไม่มีก็ไม่เกิดเพราะนี่เป็นพยานของน้ําใจการสวดน้ํานี่เป็นพยานของน้ําใ จ, ใจว่าเราได้ทําอย่างนี้เม็น้นสำสาคัญอยู่มากในที่นั่ในน้ําใจแต่ขอทางโทษกับ คือเวลาขวดน้ำนะฮะเขาเห็ น, ออ น, นว่นาวปวด น, น้ํำภาษาบาลีผมว่าผมจำภาษาบาลีเวลาผมูพูดไทยผมมีใจเดียวกับภาษาภาษาใจมีภาษาเดียวแล้วละ่ะอุทิศต่อผู้ใดก็เป็นอันอุทิศเป็นผู้มุ่งแล้วาาใจมีภาษาเดียวภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีก็เป็นมีภาษาหนึ่งภาษาหนึ่งๆนะแต่ภาษาใจนี่มันมุ่งสดเฉพาะเช่นถึงคนไหนที่เป็นภาษาเดียวมันชัดเจนแล้ว ได้แล้วเรื่องได้มุ่งเกาะคณนั่งคนนังนไอีเทปยังเปิดอยู่เลยยังอาจอยู่เลยเนี่ยอัดอัเลือกก็ได้ปัญหาขึ้นเรื่อยกับไปเรื่อยฮะต้องปิดเมื่อกลับจบแน่แน่ใจครับกรรมที่เราทำเมื่อตอนที่เรายังไม่เชื่อผลแหกรรมเนี่ย เมื่อสมัยเรายังเป็นเด็กใน่ไดภาษาเนี่ยะอับเราควรจะทําอะไรตอบแทนสิ่งที่เราเคยทําไปแล้วเราประทำทาดีตอบที่แล้วเป็นผู้ใหญ่เราทําดีได้ตอนเราทําไม่ดีในตอนเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เราเราประทำดีดนะต อ, ดนะดดอบเด็กมั้ยที่เด็กเวลาเด็กมโง่ผู้ใหญ่ขึ้นมามันฉลาดก็แก้กันอยู่ตรงนั้นที่้าใจัยไหมละ่ะเห็นไหมเราประจ่ายนะแต่จะให้การเปดผู้ใหญ่ก็ได้ยิ่งโง่งไปนะ ผิดตรงนี้มันแก้กันไม่ได้มันจะเพิ่ม <laughs> แต่มันไม่ลบล้างกันฮะถ้าว่าเรื่องลบล้างได้ก็มีลบล้างไม่ได้ก็มีถ้าว่าลบล้างมาได้กันเฉยๆแล้วพระพุทธเจ้ า, าจะบริสุทธิ์ไม่ได้เขาเกดิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกงิเลสทั้งหลายะทีนี้นี้ไม่ใช่ของดีกิเลสเป็นของชั่วทั้งนั้นถ้าว่าลบล้างมาได้แเราพุทธเจ้าและกัาวัาตถหมายจะเกดิดขึ้นมาไม่ได้ แต่ส่วนที่มันจะผิดย้อยมาตามท่าตามขันนั้นยันเป็นไปได้เช่นท่า น, นี้เราเคยทานั้นแน่ใจจะบริสุธิแล้วก็ตามลบล้างเยนยะ้พนานติตใจนะแต่ทั้งท่านนัามวานาน่ายัติดตามกันได้อยู่ก็มีแต่มันได้แต่จะเปลือกเมื อ, องเท่านั้นตัวเมืองจริงไม่ได้เห็นหมพระ พ, พุทธเจ้ายังมีเวลนอย่างแต่ขอทานครับคือกรรมชั่วนเนี่ยนะฮะเมื่อเราทําไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ชอบรู้สร้างเลยจริงๆว่าเราได้ทากรรมชั่วไป แต่พอทาลงไปแล้วนะการทํารที่ทำลงไปแล้วเขาคนอื่นจะร้องทำอะไรอย่างไรเราก็ระลึกระลึกชิดในนั้นนะอืําลึกชิดในนั้นแล้วเราพร้อมที่จะจะให้เ้าเอาจักไปตัดหัวโกหัอะไรก็แล้วแต่อันนั้นจะถือว่าเป็นการรบกวนทางชั่วอยู่เราใช่ถือเป็นการแก้กันเป็นการถูกต้องแล้วเห็นไหมถูกต้อง ไอ้ทัพมีเทยอยู่เยอแค่ไนมันแ <c oughs> งทัพเลยนะไอ้แ่นี้มีแต่เทปเต็หมหเหนึ่งไปแล้วรเนี่ยหางี้ไปแล้วรเนี่ย <c oughs> น่ออเปมาวางไว้นี <c oughs> นแล้วเหรอฮ <c oughs> ะั้นมีแต่เทบเต็มไปหมด อัดคงนี้ทดีดีนะเนี่ยอัดตรนี้ดีนีแต่อัดไปตรงโน้นอัดตรงโน้นแล้วมันมาอัดถึงนี้ทีอัดเขาตรงนี้มีอะไรอีกอะอันนี้จะเคลียร์กันมากนะเปิดใช่ครับเออทำที่พูดกันว่า จะเบื่องจะเพื่องฟูลอยนั้นเต้าน้อยจะขอยจบเยจะเอาหลักกรรมมาพิชิตฮะเบือ่อจะฟูนั่นหมายก็มั่งอางว่าไปให้หมายบ้าความหมายก็เบื้อความคนชั่วจะได้ดีคนดีจะได้คนชั่วความไม่ดีนะคนชั่วเขาจะได้ดีได้ยงไงน้องว่าสิคือว่าคนชั่วจะได้ดีก็ได้ยังไง เร่งคนดีก็ได้ช่วยได้องไรเอาว่าการฟังก่อนตอนนี้ยังไม่แก่การที่ว่ากระเบื้องจะเคลื่อนฟูลอยมันจะคือมันสิ่งึ้นเป็นไปไม่ได้ฮแล้วน้นเต้าน้อยจะขอโจมก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นในเหตุการณ์ปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้งั้นหลักของกรรมก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันทําำดีจะได้ช่วยนี่มันเป็นไปไม่ได้ทำเพื่อจะได้ดีนี่เป็นไปไม่ได้อืม คือในนี้ครับคนเข้าใกสมยัยในในในสังคมองไอ้ยีนะครับเขาบอกหายคนที่มันทาความเร็วนี่นะะรวยครับในเขาพูดว่าความดีในโลกนี้นะะเลยนะฮะทีนี้ว่าคนที่ทำความดีคือส์สุจมากไอ้โกโ ง, โงก็ไปโกงินก็ไปกินกันจนอย่างนั้นก็เป็นโสมีสัตว์มีอะไรลักษณะอย่างนั้นนะเข้าใจ อพราะฉะนั้นก็มลตราอยูด้วยกันเนี่ยเราต้องการความรวยเนี่ยเข้าไปต้นมังกรดนเนี่ยอาจารย์เป็นหัวหน้านี่จะว่าอาจารย์ดีไหมล่ะอาการพ์ทะลุสิทธิ์ก็จะต้นเป็นมังกรดนเนี่ยเพราะเราเวลานี้เราจนจะได้เงินมากแล้วไปต้นเป็มังกรดนี้ทั้งเมืองเลยล่ะแล้วเราเบิกเงินเข้ามานี่อาจารย์มหาบวัวนี่จะมีชื่อเสียงโด่งดังไหมว่าอาจารย์มหาบวัวดีมากพะลุสิทธิ์ต้นได้ฮะ ที่ได้ครับอันนั้นมันชักเกินไปครับเราต้องทำมันชักต้องหำมันชัดนี่อืมเราต้องหำมันชักอย่างนี้ตัวอย่างลนะคะันทำมันชัดก็ถามกันไม่ได้นใช่ไหการที่โกงโกงอย่างนี้โกงก็เาเพามันโกงอยู่แล้วมันอ่าจะมันเอาอะไรมาดีมันโกงอยู่แล้วลูกกับมันโกงอยู่แล้วอาจารย์เาไปปล้นก็ช่าอาจารย์มาปล้นอยู่แล้วมันตรงไหนม่แกงโกงไหนแม่แกงที่ดูมันเหมือนกันนี่เราพูดตามความจริง โกงเขาก็ชาว่าโกงแล้วได้เงินมาตั้งร้านตั้านได้มาด้วยความโกงมันจะดีอะไรนั่นนั่นะมันดีแล้วหรืออย่างนั้นถ้าดีก็สอยให้โกงกันทั้งโลกนี่เป็นไรโลกอีกจะได้เจริญเอานนั้นพางนั้นคนเรานข้ากันโกงกันเดียวนี่จะเจริญไหมล่ะโกงโกงันันตัวอย่างนครับาว่านั่นละตัวอย่างนั่นแหละอย่างคนที่อยู่ด้วยกันนี่นะครับอย่างคนที่ทางานราชการงานมางอย่ด้วยกันนี่บาคนนึงเนี่ยจบอคลอถือว่าเป็นเป็นเป็นําไม่ดีจ้ มันก็ไม่ดีแล้วคือเราบอกว่าเขาก็ก้าวหน้าไปกล้าวหน้าโดยความสอฟท์พอแล้วแน่มันจะกล้าวไปไหนมันกล้าโดยความซอฟทพอมันจะก้าวไปไหนมันขึ้นฟ้างเมฆมันก็ไปโดยความสอฟทพอแน่มันจะเลยปฏิปจันทร์มันก็ดูความซอฟพอมันทอดถอยนครับหมันทอดถอยนครับคือมันคนเราเขายังไม่ถึงคล้ายๆกับที่พ่พ มันก็ไวอะไม่ไม่อยากจะทําความดีแหละอยากจะมารจุคออแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าไ อ, เ อ, เ อ, เอ้จิตเดิมมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ดังนั้นอาจารย์ก็เหมือนกันทายาทอาจารย์สอบ พ, พออาจารย์มานสอ พ, พอจะจนจะจนแบบหลวงตาบัวดีดีกว่าเอะแต่หลวงตะบัวจะอยู่อย่างนี้แหละสอพอไม่เต็นใครจะว่าลวงตาบัวชั่วกวชั่วไปลวงตาบัวจะอยู่แบบนี้ก็นนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้อันนั้นเรื่องของโลกมันอนิยามมาได้เรื่องของกิเลสมันมีเล่มมีเดียมีทุกอย่างเราจะเอามาเป็นแบบฉบับไม่ได้ มันไม่ใช่แบบฉบับแบบฉบับที่จริงคือหลักคําที่ในโลกเขามีความร่มเยนการโกงการโกงการรีดการขายมันดีเมื่อไหร่มันเดือดร้อนจะตายผู้เดือดร้อนมันดีแล้วเหรออย่างนั้นคนหนึ่งว่าตัวดีคนหนึ่งว่าเดือดร้อนมันดีแล้วเหรอนั่นมันไม่ดีมันไม่ถูกมันก็ไม่ดีอย่างนั้นเข้าใจแล้วเหรอดีเวลาตอบคำถามก็ไม่ได้คำตอบเดี๋ยวไม่ถามก็ไม่คําตอบนี่ว่าไงเราเป็นนักกีฬาฟาดกันลงไปเลยอาจารย์ไม่ว่าอะไรเอะ เวลาเสียงมันดังขึ้นบ้างก่อนกาลุณาระวังนะเวลาฟ้ามันมันไม่มีเสียงฟ้ามันฝนก็ไม่ตกมันต้องกระหึ่มกระหึ่มบ้างเปรี้ยงนุ่มเจยงนี้แล้วฝนตกมาบางทีมันอาจเย็นใครไ้มล่ะอ่เอาการยปัจจุบันนะครับอาจารย์นันทําให้เราเห็นตัวอย่างที่มันมันไม่เหมือนกับคําังสอนนะฮะไม่ใช่ว่าคําัสอนไม่ถูกนะฮะคุณต้นว่า คนที่มีการศึกษาดีมีเงินมีทองร่ำรวยเนี่ยมักจะให้สนใจในศาสนานะถือถือนิดเดียวว่าทำไม่ท้าคนอื่นเลือดร้อนปรคอดใจแล้วเนี่พื้นฐานของเขาที่เกิดมาร่ำรวยเกิดมามีสติปัญญาสูงเนี่ยมันแสดงว่าพื้นฐานเดิมเขาดีคล้ายๆกับเรา แ่เขาอยู่เคยมาเก่าแต่ความประพฤติหล่นที่สมบัติเขาได้มาเขาได้มาด้วยวิธีใดซึ่งว่าพ่อแม่ร่ารวยอ๋อร่ำรวยแล้วนเป็นออนั่งาเป็นพื้นฐานในส่วนนั้นของเขาดีเสียถ้าเขาไม่ทาต่อนันมันก็ไม่ต่อเข้าใจหรือมันแปลแต่มันมีมันก็ดีส่วนไม่ต่อก็ไม่ต่อยู่นั่นแหละมันน่าแปกชื่ว่าแปลกหม เมื่อมีกรรมดีมาแล้วมันก็น่าจะตอบไปได้หมือนก็เลยบินที่มันวิ่งวิ่งมาด้วยไอพ่นมันก็น่าจะวิ่งไปได้ถ้าเวลามันหมดไอพ่นมันตกไหมเลือดิน่ะตกครับเวลาไอพ่นมันนี่มันตกก็ไม่พูดกันบั่งเบื้องเรือตกคือมันพุ่งกระแทกเดียวเวลามันตกมันยังนี้เนี่ยก็ว่ากันบ้างเบื้งทีตอนที่ควรจะว่ามีอยู่ไม่พูดนี่มันแปลกใจมันแปลกตรงไหนเวลามันหมดไอพ่นมันตกแล้วมันแปกอะไรไอคนนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาไม่มีที่สอบมันก็ตกได้ อ๋อเข้าใจแล้วันแต่มันพุ่งพุ่งเวลามันตกไม่พูดอันนี้ก็เวลาเขาพุ่งพุ่งเขาพุ่งไปนะถ้าไม่ต่อไม่มีน้ำมันมันหมดน้ํามันก็ตกได้เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเราจึงเพิ่มน้ำมันเรื่อยๆนะถ้าไม่อยากให้ราบินเราตกให้เพิมน้ำมันเรื่อยๆนะมันจะป้ายผมป้ายมันไปเรื่อยๆแหละแว่าแปลกใจว่าทำไม กรรมดีมันจะมาหมดเท่แค่ในอ๋อมันหมดไปหมดได้ขโลกอนิจจังอยู่ในโลกอนิจจังต้องหมดได้ด้วยการดีก็หมดได้ถ้าไม่ต่อกินอยู่เสมอเสมอันก็หมดได้ชั่วมันก็หมดได้แต่ว่าไงมันไม่หมดจริงๆตั้งแต่พ้นจากสมมุดนี้แล้วอย่างพระอรหันต์ท่านอันนั้นท่านไม่หมดท่านไม่มีท่านไม่หมดนั่นคือมันพ้นจากสมมุดแล้วอนั้นท่านอยู่ในกฎของสมมุดนี้แล้วยังไงมันก็ต้องเป็นลุ่นๆนอนอยู่นั้นเสมอแต่ยังไงก็ตามขอให้ดี พยายามช่างดีไว้จนกระทั่งมันสามารถที่จะพ้นไปได้ความบีนเท่านั้นที่จะทําให้พ้นไปได้ี่เข้าใจโลกอันนี้จัง อ, อันนี้สอนเสมอดีก็เป็นอะไรจังขั่วก็เป็นอะไรจังเพราะมันอยู่ในโลกอนนี้จังแต่อันนี้จังมันต่างกันกคือความขั่วเกิดขึ้นมานิดนึงก็ต า, ามมันก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหม ความดีอยากให้เกิดเพราะฉะนั้นสร้างความดีให้ความดีให้หนุ่นไปเรื่อยๆอย่างพระพุทธเจ้าและสาวพระ้งฆหลายที่มี็นวิสิยศูน์ออกจากความนีทั้งนั้นหนุ่มมินไปจนกระทั่งพ้นไปได้ความชั่วไม่มีทางพ้นมีแตทางจมเรื่อยเอากรงนี้ทำไมติดภาพจุดท้ายของพระพุทธเจ้ามันเป็นไเหมือนไอคอน่ไเด็กัวิ่ ง, งไปเรื่อยจนกระท่ถึงถึงวันที้ผ่าน ถึงแล้วก็ไม่ตกแล้วเหมือนอย่างเรือบินมั่มันถึงที่แล้วมันไปจอดแล้วมันก็ไม่ตกรถยนต์ไปถึงที่แล้วมันก็ไม่ตกใช่ไหมล่ะถ้ามันยังไม่ถึงมันก็มีได้มันที่ลงคลองก็มีขับไม่ดีออทามันถึงที่แล้วมันไม่ตกแล้วทำไมมันก็ไม่ตกเพราะไม่ขึ้นมันจะเอาอะไรมาตกใช่ไหมล่ะถ้าขึ้นมันก็ตกถ้าแล่นมันก็ลงเนี่ยมีขึ้นมีลงทําไม่ขึ้นไม่ลงแล้วก็มันก็หมดปัญหาที่วิญญาตถึงจุดแล้วที่ไม่ขึ้นไม่ลงคือคนจากกดธนิจจัง มีแล้วมันก็หมดปัญหาที่เราจะพูดทีเราพูดที่นี้เราพูดเรื่องอนิจจังต่างๆนี่อีกอันนึงเรื่องอนัตานตานี่ะนะถ้าเถอะมันเป็นของที่นอกกายแล้วก็มเป็นของที่เรารักใค่มากมันก็นละออกว่าอันนี้มาอนัตตามันจะสูญหายจะทังก็นมาคอยแตว่าแต่เนี้มันนี่ใกล้คิดตัวก็มาเป็นของที่เรารักมากทำยังไงที่จะ เอตัดออกไปได้เป็นไหมป่าเราไตัดบ้างเปล่าหร่างไม่ตัดบางหรือเปล่า่ะตัวพยายามตัดมันพยายามเฉยไม่ตัดมันก็ไม่ออกนั่นถ้าพยายามตัดมันก็ออกได้เช่นเดียวกับสิ่งภายนอกแต่เพียงพยายามเฉยไม่ตัดไม่ว่าสิ่งภายนอกขภายในมันก็ตัดไม่ได้เหมือนกันเพราะเพียงพยายามไม่ได้ตัดภายนอกก็ไม่ขาดภายในก็ไม่ขาดมันก็เท่ากันเนี่ยถ้าพยายามแล้วข้างนอกข้างในมันตัดได้เท่านั้น ถ้าตัดไม่ได้พกูจะไม่สอนอเพราะทำนี้เป็นประสบการณ์ทตราบได้ชอบแล้วทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในตัดได้ทั้งภายนอกภายในแล้วถึงนำมาสอนโลกนะ่ะของเราตัดไม่ได้แต่จะให้มันขาดถ้าไม่ได้เนะไม่ได้ชินแต่จะให้ขมข่าเยวมันก็ไม่อิม่มครับในอย่างนี้นะฮะในฐานะ า, า, าสตร์วาถ้ารู้ว่าในโลกของเราทุกวันนี้วงนั้ำมงนอย่างนี้นะฮะ ถ้าทุกคนเราเนี่ยนะฮะหมะายว่าไม่ทํายู่ใขาใช่หรือไม่สนใจใครจะมาเอาอะไรกันบ้าบ้านเมืองเราจะเจริญยังไงนะะอันนี้ผมอยู่ในโลกีโลกีนะฮะไม่ใช่โลกภับี้ไปนะลองทํากันบ้างเหรอห่ะแล่ะเล้ลองทำ <c oughs> กัน ท, ทุกคนเลยเพื่อทุกคนนะทําเป็นอย่างนั้นแล้วบ้านเมืองเรา <c oughs> ไม่สนใจใครเลยแลบ้านเมืองเราจะเจริญไหมเราได้ทํากันบ้างแล้วยัง ก็คิดว่าถ้าทํามันคงจะไม่เคยถ้าที่ตามภาษาผมนะครับใช่งั้นก็ไม่ควรจะตอบตามภาษานะใช่ไหมไปถามธรรมศาสยเฉยก็ใช่ตอบธรรมาศารย์ตอบไม่ได้ซึงขอโงดอันนี้ไม่ตอบมีเป็นการตอบแล้วเนี่ยนี่มันตอบแล้วนั่น <or> <c oughs> น, น, นี่นะอย่าเข้าใจว่าไม่ตอบตอบแล้วบางคนจะไม่เข้าใจว่าท่านไม่ตอบ ต่างคนต่างให้เฉยไปทั้งหมดนี่ถ้าต่างคนต่างให้เฉยหมดฉะนั้นยังไม่เนยให้จะเอาผลมาแล้วเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้ที่ผมยังไม่มีผลต้องพางมาตามเห็นมาน ะ, ะนี่เห็นตุยังไม่มีเลยตอบผลก่อนแล้วมันตอบไม่ได้เพราะจริงก็เนี่ยคือการตอบแล้วนั่นเองยังไงหมดปัญหาแล้วที่พักนอนกันนะ เต็บ น, น, นี้กำลังขนานี้กาลังนอนกาลังสิงนานอนก็ร่มกราบเลยถึงหมอนไม่ถึงช่างก็ตืน่นคุณเช่าไฟควัวอาหากันถ้าตกคว้านะราดนี้เอาจริงหนหลับครอบเลยมีอะไรอีกอ่ะมีปัญหาอีกไหมอาจารย์นิสสาวไ่าง่ายทุกานความตามพุทธประวัตให้ทาทความมีกความดีนะแยะครับ แต่๋ยวทำไมท่านถึงมีเรื่องไม่ดีหนักกว่าเราอย่างคนธรรมดาเนี่ย่มมติก็มีพระเทวทัตมากิ้มถึงลงมาจากเขาเจอองก็พระเม้าท่านแบบนี้ ดูเาเดินในกรมใน่ดูบรรยากาศเเรานังมันยังเห็นเราบวาั่าเลยม่เมเตรมาคนทั่วก็ตามปาหาคนทั่วใช่ไหมเล็กร้อยสิกันแยะนะเทียบกับพระพุทธเจ้าเลยพพุทธเจ้าท่านทำความดีมากเราไม่รู้จักดีเลยทันทาแล้วท่านยังมีสิ่งไร้ประเภทนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยเป็นงเรานี้ ถ้าเผอเเปรียบเทียบเมีเราทำซรีสเดียวผมก็ไเนี่ยเราไม่อยากเป็นผูรเจ้าเนี่ยแต่เราเรานั่งคอนายูงมันกัดเรายูงตัวเล็กๆเนี่ยมันมากัเราได้ไม่ต้องพูดถึงตังใหญ่เพราะเราเป็นคนเล็กน้อยไม่หนุนผูริเจ้ายู่มันยังไม่ว่าเอีดิันต่างคนานามมเห็นว่ามันยังกัดได้มีเรื่องของยูเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหล่ะเกิดของเหลือของยูมากันเรามีคีดว่นั่งอยู่ที่ยอยู่โดยีกลมอย่างนี้หมดมันก็มาขันเราหน้เข้าใจเนาะ มันทามังกัดมันเรื่องของมดมันเรื่องของยุงอันนี้มันเรื่องของเราที่เราจะทำดีเขาก็ทําด้วอยไปอย่างยุ่งยากเขาจะว่าแล้วก็เฉยเขาจะทำมีติโทษเขาจะมาผูกพยาบาทอาภาษพระองค์ก็เฉยเรื่องพระองค์ของเมื่อเราเดินโยนกลมนั่งสมาธิพอนายยุงกระตัดก็เฉยมดก็ะัดมดกระตัดก็เฉยเจ็บอกเชื้อเอามันเจ็บมากก็มันออกเชื้อเราเดินโยนมเราไปถาว่าเราที่เราเดินโยนกํานั่งสมาี่แค่ทำามายุงกระตัดเราเราอยู่สบายที่จะดีกว่ามันก็ไม่ดี ผูเชี่ยวชาาจะเขามาทำงั้นผู้เจ้ายวอยู่เสียในผู้เชี่ยเขาเ็ู้เี่ยวไม่ได้วางเรื่องคนชั่วเราประมาณไม่ได้เนียทีย่อาจารย์ว่าเราเป็นคนดีเรามีขอบเสือเราอยู่มาแล้วก็ทำลงไปใช่ถ้าจะมาเข้าใจถางอีู่เรื่องกรรมเรื่องเวนมันมีผู้ชั่วไปไม่มีึ้่สุด ท่านผ้ี่ยวเาบอกว่ามีกรรมมันดูคล้ายๆผมว่าท่านมีกรรมเหลืออเยอะแยะนี่การพาดอาจารย์ว่าเรื่องนีบาตกรรมที่มันเกี่ยวกับสวจร่างกายมีได้อาจารย์ว่าตรวจทางบริสุทธิ์นั้นมันมีอะไรที่จะติดกรรมได้เลยเร่งกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องนี้บาันมีกรรมมีได้ท่านผูเชี่ยวอาจารย์เขาพูดได้ทีนผ้เชี่ของเราถ้าเทวทาตุอย่นี้เป็นต้นตั้งแต่สมัยโน้นสมัยลูกอากาศกันอะไร เริ่มแรกหายขึ้นกดับบวกใาย้อยสองวันอะไรไปแต่เขนชอบเป็นตัวดีนตดีมาทั้งห้ององ็นคนชื่อศัตรูจิตตลิศพราเท้ทัตเป็นเพื่อนถึงก็หายกันนี่เข้าไปในหมู่บ้านนงพระเธอค้ท่านไปก่อนมีเริ่มแรกที่ต่อเตือนกันนะเนี่ยเิเบื้องต้นอยู่ด้านหนึ่ง ของใครละ่ะทีนี้พอเอาเครื่องระดับแต่งต่างๆไปขายแล้วก็มียายคนหนึ่งครับหลานไม่มีเงินเป็นคนจนแล้วมีถาบทาองคําผ่านหนึ่งเก่าเป็นเป็นเส้นหินจับเพือกลางหมดแต่ไม่ใช่สนหนะินที่ทองคํานะเส้ <c oughs> นิมที่ว่าตกก็ปกได้ง่ายๆก็แม่ว่ามีอะไรแต่จากได้ซึ่งกระดับนี้ให้หลาน แล้วแม่มีถาดใบาเดียวเนี่ยจะให้แม่ทอะไรก็แม่ก็ไม่ว่าแต่แม่ขอเอาถาดนี้เปลี่ยนลูกเขีนว่าไงแล้วทานนี้พอมองเห็นพระเทอทันต์นะมองเห็นเขาโอ้โหนี่มันาาขาดองค์คันโอ้ยของอย่างนี้เกาไปยังไงนี่ของเก่าแก่มาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้เห็ น, นถ้าไม่ได้ว่างนั้นนะแล้วใจก็มีความกระดู่แล้วยังไงเราก็มีหวังเราเราไปขายของท่อื่นไปก่อนแล้วที่กลับมานะ พอดีพระผู้เจาขเรานี่ก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็ไปขายแบบเดียวกันแหละไปพอไปเห็นเน่้ยาเขานั้นก็มาหาอย่างว่าโอ้โหคุณแม่ของนี่มันของมาตั้งแต่ร่างเดิมนี่ถามนี่เป็นถาทองคาราคาทั้งหมดที่ของโผล่ลูกออกมาเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันกับนี้ของนี่มีคุณค่ามากมีราคามากถ้าคุณแม่จะเอาก็ก็ไม่ว่าจะยกจะยกให้หมดนี่ก็ยังไม่พอกับค่าของทองคาในถา ข, าของแม่นี้ เนี่อเลยว่าวางเลยแล้วกยกขันให้เลยแล้วก็ยกให้ของทั้งหมดเลยแล้วก็ไปพอพราเทวทแต่ ข, ขายของหมดแล้วกลับมาจะมาเอาถาดที่ไหนได้คนนี้เอาไปแล้วนั่นหลับผูกอาทาหรณ์นั่นขอกรรมตัวเวง ม, มาตั้งอยู่แบบนั้นเรื่องเนรื่องของจรินั่นกระจายในบรเวณของพะเทวทัตกับพระพเจ้าเรื่องจรมาตั้งอยนั้น โล่มากโล่งโล่นักนักลาบหายน่ะลาบหายแล้วขอเวรขึ้นมาน่ะที่จะขายที่อย่เมื่อก่อนที่จะกลับมาเอานะก็อยู่ในเือมือราเนี่ยไม่คิดว่าคนอื่นเขาก็มีเือมืออันมันก็มีเือมือแต่ตัวเองเขาเอาไปจีบหยาดซะเรื่องเบื้อนต้นเฉยมันเป็นไปได้เรื่องกรรมที่จะติดตามที่บาปสัขันแม้ท่านเป็นพระหานี่ผมจะทำไมจะไม่สามารถที่เข้าคุณภาพให้จิตใจให้ท่าน ให้เป็นความเอียงๆอะไตามมันได้ไ <which> ม <Willy 2> ่มีปัญหาอี้เป็่ไงถ้ามีสัญหาที่สามต่อมีลมอันนั้นไหมใช่งั้นใช่หรอคนเราธรรมดานี่ถ้าเือว่าสมมุติว่าจะไปสิงข่าสุดท้ายนี่ต้องไปไกลกรรมอะไรแักหลักแบบพระพุทธเจ้าเนี่ย ออดกเป็นเราเป็นนักต่อสู้แล้ว อ, อะไรมาแล้วก็สู้หมดนั่นแหละเข้ใจไหมนะ <Okay. S 1> เรานักต่อสู้วางไงตั้งแต่เรามาจากกรุงเทพมานี่อะไรที่ลถไม่ดีมันมันเสียไปตรงไหนเราก็ต่อสู้แก้ไขกันมาไา้วางไงพอเราตั้งหน้าจะมาเราไม่ถอยเอามากระทั่งถึงนี้ได้เนี่ยเห็นไหมละ่ะเดี๋ยวก็ไปถอยแล้วก็อยู่นู่นเราไม่ได้มาแล้วนี่มีเราแสดงว่าเราไม่ถอยใช่ไหมอันนั้นเหมือนกันเราก็ไม่ถอยมันไปเรื่อยๆนี่แหละ จะถอยยังไงปัญหายังข้อนนี <quer> ้น <rat> <oses> <h acceptable> ่อไม่ถอยนี่ไปจนถึงจุดจิ้มหมายยางแตกแตกระเบิดเบิดไปชีวิตเราจะมีอยู่หามาใส่ใหม่ปลายเลื่อจนถึงจุดหมายปลายทาง ตอนบุร like ีข้าวร็จกออกไปข้างเจ็ดโมงตรงนี้ก็ข้าวเสร็จไปไม่หาัดที้งเยอีกไหมอ่ะเยอะอีกไหมปัญหาตอนี้กว่าเพื่อทัง มันจะมีปัญา่าเหลือปัญหาเดียว ก, การก็าข้างปัญหานี้เหมือ น, นการนรรลสทธิ์าหายข้างปัญหาอันเดียวนี่เหมือนกันเป็นไงออกจากนี้แตก็นอนระวังมันเหนื่อยจะตายไปแล้วนี่นั่นหละปัญหาเดียวเหนื่อย <laughs> อ่ฮาเนือยนยังเรปัญหานอนเรื่องงานที่หนัก